สาบคาว่าสากขาว่ามือวาอ่านหนึ่งคือไฟ ห, ห้องบรรทับเมื่ดมือเนี่ยเกิดอุบัิเหตุไฟฟาช็อตดูไกลๆแถวแถวัดอัลั่นเนะเกิดอลั่นญย่่นปดเลยตั้งบางทีนึว่ว่าเกิดเหตุเกิดจากว่างูงูมันสึกผาดสายไฟไฟมันเลยช็อตสายขาดโตขึนมากมาชอตมะม่ว ตายไปที่สามโต้กันมือว่านเขาวาเพ๊ะเสียงยังไฟจากบัวมาไฟจากบัวมาใหม่มันโลนทับสายไฟว่ากันโอ้ที่แท้มันเป็นเหตุนี่วู้ขึ้นไปช็อตจนกระทั่งสายไฟขาดไปตัวงูตัวใหญ่เสิบอยู่ตรงตงสายไฟเลยขาดขาดตะกุกมากไฟอย่างนี้มีไฟอยู่เพิ่งออกมาช็อตของงวมีทั้งราง นี่แหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเทาโทษผู้ใดล้วบัญโทษว่าไรไอ้โทษใจกรรมด้วยโทษใจกรรมกรรมของง่วกรรมของงูตุ้มบุญีเขาอาจจะคยเบียดเบียนกันมากเก่าเค่อยทาลายแต่มากเก่างูมันจะเกิดมาจากนี้มันจะจําว่าไรดอกชื่อว่าไ้ดอกว่ามันง่วมันเหตุอย่างมันงูงมันเห็ุอย่างง่ ว, ง, วงงูให้ดีงงูมันจะจักดอกตจากาคอนที่เป็นยัง มันเคือเกิดชาตินี่เรางูก็ไับไฟฟงงูไฟพลาดแันปั๊บจอดงื้อตายน่ะมึงงูตายงัวกระตายมันเคยมีเรื่องว่าทันมันตายมู่ตายพร้อมๆกันเนี่ยเนีนมันเคยดเ็ดกรรมพ่วมกันเ็ดกรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนพ่วมกันเนาะตอนเด็กเพราะว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมมั่เป็นเรื่องใหญ่เนอะต้องรับควาพจริศาสนาเห้โ กายละมันระว่างที่ชุดเรื่องกรรมกายกละวัดระว่างว่าจ่ากละมันระว่างกายไปเหตุยังสิมันเป็นเดือดเป็นร้อนเขาเป็นกรรมด้วยแต่เนี่ยรียว่ากายจะกรรมการทํากรรมแล้วที่ผลกรรมบุมีเลยบ่ได้มันตรงนี้การทําแล้วตรงมีผลยังเขาท่ำโดยกายเนี่เขาว่าโอ๊ยเขาบริขืดสีเบียดเบียนเขาว่าอ่แต่ว่ากายมันไปทําแล้วผลย่อมเกิด ย่งเส้นจำนวนเท่าไม่จรจีว่าเขาโป๊กจริงๆใจเจ็บเลยยังสิที่ได้บ่ละมันก็บก่ได้ผลของการตีมันคือเจ็บต่อจากนั้นไปอีกวินเจ็ัยอกเจ็บใจเสียชังเทาเลวค่อนค่อยๆนอกตัวนั่ไปคือหัวเขาไปคือหัวคนยาง ก, กาดใ่ไก่มามันเสียดอยู่หันเท้าโบขูงจักรตัมมือรุ่นมันเอาไฟมาจุ่มเพื่อนใหม่ม่ ในสังก็ได้หรือว่ามือรุ่นมื่อก้ไปทายู่วงอันเข้ากรโลอกไปมาตีหัวเอาลงตีเข้าโว้จัดตมมาตีกูเห็อย่างเนี่ยมันเพาะกัมเพราะฉะนั้นสารละบันะว่างกายกรรมการลบันระว่างวัีกรรมสารลบันระว่างที่ว่างงสารละมันระว่างใหญ่มันไปตีไปสุ้นหญ่เมื่เสียบเบี่ยนพูนใหญ่มีแห้งตองระว่างหลายเลย ใจหายใจหึ่งใจคิดเหยียดคิดชั่งคิดเหยียดเยียนกันเนยมันไปในใจเนี่ยแห้งหายไหลในละมัดระว่างเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่พันผู้ได้ติสต่างคึดว่าแล้วเนี่ยมันจะต้องได้รับผลแน่นอนคนระับผลจะไม่ติดบริชันมากเลยไม่ติดพื้นไม่ติดโบกกลับขึ้นมาไมาห่หาผลนจะจะฟองไปถูกติดเดือดร้อนอันท่าไม่เชือเฮาเฮาเาก็บคือปฏิปีหยัง่ง มันจะไปเฮ็ดตัวเฮ็ดอย่งไปยังคนยังสั้งตูแท้มันหักมีวันนีจะค้องไปเฮ็ดเนี่ยพดีอยู่ขนาดเขายังตั้งคิดว่ายังตันงคือว่าคนนั้นจะตั่งตูคนนี้จะสั้งตูเขาจะค้องบอดีมันมีอยู่แต่มันจะเข่าขัางเกี่ของมันคืดยังบ่ได้คืด ไ, ดไปทอดว่าโอ้มันเป็นผนกรรมจากข่างเก่าข่งควันขีเข้าเฮ็ดมากเข้าจื่อบ่ได้จำว่ได้ มันยังเกิดเป็นคนเหียว่ามีจงิง่มันคือจริง่แล้วมันบวชไปข่านเอากับูอื่นนาะมันก็จิตใงยามระมัดละว่างอย่าของถ้าละมัดระว่างอย่าของแล้วมันดีแล่ะะนี่ไปลูกคิดเพราะผู้ใเจ้าแท่ละหลงปอขุดคุณบอกในทีวาประวัติเสนอขีวาไปยินสบาทข้าหนึ่งเล็กหน่อยมากับเมมันพอมาเห็นคนปั๊สี่นาพ่หน่ยมึ่งบวเป็นพระมึ่งบวเป็นพระเ หลวงพ่อพุธใ oh so so no. so จซึ้งถึงแม่ใจโอ้ว่าที่สร้งวันเราเขาคือถึงแมาได้ว่าโอ้แม่ดีดีเว้ยเขากำลังจิตใจห้เขากำลังจิตโกรธเอกันมันบมเมนต์พักดีคุ้มเล็กน้อยด้วนะเนรเซนนั่นด้รเซ็นดิใครยากได้ละมัดระวังรักษาโดยเฉพาะใจรักษาดีๆนักภาวนา